สิกขาบทวิพังสามร้อสองคำว่าอนหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าทาหน้าที่ชักสื่อความว่า ไปหาฝ่ายชายตามที่หญิงขอร้องหรือไปหาฝ่ายหญิงตามที่ชายขอร้องคําว่าบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดีคือแจ้งความปรารถนาของชายแก่หญิงคําว่าบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดีคือแจ้งความปรารถนาของหญิงแก่ชายคําว่าเพื่อให้เป็นพัญญาคือบอกว่าเธอจะเป็นพัญญา คำว่าเพื่อให้เป็นชูรักคือบอกว่าเธอจกเป็นชูรักคำว่าโดยที่สุดแม้เพื่ออยู่ร่วมกันชั่วคราวคือบอกว่าเธอจกเป็นพัญญาชั่วคราวคำว่าเป็นสังขาธิเศตความว่าสําหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวา่าดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังขาธิเศต